สิงหอ่านหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่12บุคภาภาคของการศึกษาข้อที่หนึ่งปรัโตโคสักที่ดีเท่ากับกัลยาณมิตรสมเด็จพระพุท ธ, ธโคษาจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าิบห้าเนื้อหาภายในว่ายเรงจุดเริ่มต้นแห่งมัชฌิมาปฏิปทาหรือการปฏิบัติธรรมคือสัมมาทิฏฐิ โดยที่บทนี้จะอธิบายถึงปัจจัยภายนอกแห่งสมาทิฏฐิคือปรตโตโคสาที่ดีเสียงหรือคำจากผู้อื่นที่ดีซึ่งมีความหมายเท่ากับกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจากสังคมอาจเรียกว่าวิธีการแห่งศรัทธามีพุทธพจน์ว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ซึ่งในบทนี้จะแจกแจงถึงความสำคัญคุณสมบัติและหน้าที่ของกัลยาณมิตรความสาคัญของสังขาวัตุสี่ และหัวข้อที่สําคัญที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือหลักแห่งศรัทธาความสําคัญขอบเขตคุณประโยชน์ศรัทธาที่ถูกทางคืออย่างไรกระบวนการพัฒนาปัญญาที่เริ่มจากศรัทธาการพิจารณาตามหลักการละมะสูตรลาปัญกสูตรและพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่งอ่านโดยอริยคุณจุมรงพลดีจัดทําเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวั์สุเมศคุ้มวงศ อารัมพาเฉลยยานเจ้าภาพรองยานินเวียงเกตครอบครัวทรงพลพนอมรักเพชรสเถียรสุภาพรเทียมบุญประเสริฐร่วมกับสันธนาเบิกบาลซอบ พ, พาปิติพรสุขสุราชเมธพันธ์เลิศการชนาพรร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสัพพทธานังธรรมทธานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง